งานในก็ต่างไม่ใกล้คิดติดพันและหนักแน่นเป็นความทุกข์ความลาบากยิ่กว่างานที่จะทำตัวให้ดีและดีเยี่ยมเพราะในตัวของเราเฉพาะอย่างยิ่งคือใจที่เป็นรากฐานรากฐานสำคัญ มันมีแต่สิ่งเลวร้ายทั้งหลายเต็มหมดมีแต่ความสับแต่ว่ารู้เท่านั้นที่ฉายออกมาได้ที่เป็นสาระคุณอันสําคัญสำคัญฉายออกมาไม่ได้ถูกกิเลสบีบบังคับคือสิ่งเลวร้ายทั้งหลายก็ได้แก่กิเลสนั่นแหละมันบีบบังคับปัญหาที่ฉายสาระคุณออกมาไม่ได้ ปรากฏจต่ความรู้ที่มันเปิดทางให้เป็นเครื่องมือของหมั่นเท่านั้นออกทางตาก็กเพื่อมันออกทางหูจมูกริมกายสัมผัสสัมพันธ์กับรูปเสียงกลิ่นรสก็เพื่อผลได้ได้ของมันความรู้นี้ มีแต่มันเราไปใช้ล้นล้วนทำเอื้อมไม่ถึงมีแต่อันเดียวเป็นผู้สั่งการสั่งงานทางเดินเหล่านี้ก็เป็นทางเดินของผู้เดียวนั่นแหละเพราะทั้งหมดในขันนี้เป็นบริษัท บริวารหรือเครื่องมือหรือสมบัติของมันทั้งสิ้นมันจะไม่ได้มันไม่ใช้ได้เต็มไม้เต็มมือได้อย่างไรเราได้สะดุดใจบ้างไหมว่าความรู้ทั้งหมดที่แสดงตัวอยู่ทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนเป็นความรู้ที่สิ่งเลวร้ายทั้งหลายนี้เปิดทางออกเพื่อทำงานของมัน จำให้ดีคำพูดคำนี้ <c oughs> พร้อมกับการปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าความรู้อันนี้จะประกาศกลางวานขึ้นในวงปัจจุบันระหว่างสัจธรรมทั้งสี่นี่แหละจะไม่ประกาศขึ้นที่ไหนความรู้ น, นี้จะค่อยแปลสภาพของตัวเข้าสู่ ความเป็นเครื่องมือของธรรมเข้าเรื่อยๆเมื่อมีการประพฤติปฏิบัติอยู่ด้วยความจงใจใกล้ต่ออาจต่อธรรมอย่างแท้จริงแล้วแม้จะถูกปิดไม่ให้รู้ไม่ให้สัมผัสในด้านธรรมะเลยจะให้สัมผัสตั้งแต่สิ่งที่เป็นผลเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายต่ำมากมายเพียงไรก็หนีไม่พ้น ที่ทำจะฉายแสงออกมาจนได้เพราะอำนาจแห่งธรรมเข้ากำจัดสิ่งมืดดำทั้งหลายเหล่านั้นนี่นะท่านว่ามื ด, ม, ดมันมืดอย่างนี้บอดก็บอดอย่างนี้ตาเห็นอยู่รู้อยู่ แต่มันรู้ด้วยความมืดบอดเห็นด้วยความมืดบอดไม่จะเห็นด้วยความรู้แจ้งแทนทะลุตามความจริงทั้งหลายดังธรรมท่านประกาศไว้แต่มันเป็นกรงกันข้ามไปเสียหมดเวลาที่กิเลสมีอานาจเรืองอำนาจภายนาในจิตใจความรู้ความเห็นความเป็นความคิดทุกแง่ทุกมุมจึงเป็นเรื่องการทำางานเพื่อมันแก่ทั้งสิน แต่เราทั้งหลายไม่ทราบได้แม้อยากทราบเพียงไรก็ยังทราบไม่ได้เมื่อทำยังฉายแสงเข้าไม่ถึงนี่ที่ว่าการประก บ, บัติไม่มีอะไรคขคิดติดพันหรือหนักหนายยิ่งกว่าการกำจัดสิ่นมืดดำทั้งหลายอยู่ภายในจิตใจของเราออกหาความลำบากลำบน ใกล้ชิดติดพันนี้ก็เป็นสาเหตุมาจากมันซึ่งเป็นตัวข้าศึดนั่นแหละที่จะให้มีการต่อสู้ซึ่งกันและกันไม่เช่นนั้นก็ไม่ลําบากเราจะเห็นได้เวลาสิ่งเหล่านี้กระจายหายตัวไปซะจนหมดเรียบราบไม่มีสิ่งใดเหลือเป็นซากอยู่ภายในจิตใจเลยแล้วสิ่งเหล่านี้จะไม่มีคําว่าใกล้ชิดติดพันคําว่าการต่อสู้คําว่าเรื่องราวอะไรจะไม่มีเลยผ่ยในใจดวงนั้น จะอยู่ในถ้ากลางแห่งแดนโลกธาตุก็เหมือนโลกธาตุไม่มีเพราะสิ่งให้มีให้ประสานกันให้ตีแน่นติดกันจนแยกไม่ออกนั่นก็เป็นเรื่องของกิเลสตัางหากเป็นพูดตีระหว่างจิตกับสภาวธรรมทั้งหลายทั่วแดนโลกธาตุให้แนบสนิทติดกันเป็นหนึ่งเดียวจนกระทั่งถึงกล้าไม่ออกเพราะความผูกพันของสิ่งเหล่านั้น มี้วันแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องของกิเลสเป็นพูดตีหัวตะปูย้ำลงไปให้แน่นหนาจนกระทั่งกระดุกกระดิกออกสู่ความอิสระหรือออกสู่ความเป็นจริงไม่ได้เวลามันแน่นมันแน่นอย่างนั้นจริงๆติดติดอย่างนั้นจริงๆ ท, ทั้งที่รู้รอยู่นี่มันติดอยู่ทั้งรู้อนี่คนเราถึงได้เผลอตัวมากมาย ว่าแต่ตัวรู้ตัวฉลาดไปเสียทั้งสิน้นทั้งๆ ท, ที่เป็นความรู้ความฉลาดของมันเองของกิเลสของสิ่ตเดียวละเองเป็นผู้พาให้รู้ให้ฉลาดไม่ใช่เรื่องของธรรมปาให้รู้ให้ฉลาดถ้าเป็นเรื่องของธรรมาให้รู้ให้ฉลาดกิเลสต้องแหลกแตกกระจายระหว่างกระจ่างแจ้งกันโดยลําดับภาระที่เกี่ยวข้องภายในใจิตใจเบาบางลงไปเบาบางลงไปความทุกข์อันเป็นผลที่กิเลสสร้างขึ้นมาก็เบาบางไปตามๆกันเพราะตัวเหตุมันร่อยหลอลงไปจนกระทั่ง ตัวเหตุมันชินทราบไปสมุนแล้วอะไรมาสร้างกองทุกข์ให้จิตใจไม่มีนอกจากเป็นวิบากของกิเลได้แก่ขันธน์ที่ครองตัวอยู่วัลลปิดข้ากขันไปเพียงเท่านั้นแต่ไม่เห็นมีอะไรที่จะมาเป็นข้าจิตต่อจิตใจได้เหมือนแต่ก่อนซึ่งมีมกิดเดสเป็นเจรือนอุปทานตีกราวไว้หรือตีจับแน่นไว้กับจิตการปฏิบัติจึงต้องใช้ความหนักแน่นมั่นคมอย่างมาก สมกับกิเลสไม่มีตัวใดไม่มีกิเลสประเภทใดอ่อนแอเล้วไหลโรเละโลกเรศเหมือนผู้ปฏิบัติธรรมซึ่งมีความโรเลโลกเลศอยู่เสมอด้วยอำนาจของกิเลสทำให้เป็นเช่นนั้นแต่เราก็เราก็ไม่รู้สึกตัวว่าเราได้เป็นเช่นนั้นเพราะสาเหตุอันใดเมื่อไม่ยังไม่สามารถที่จะรู้ได้ต้องเป็นอย่างนั้นโดยการทุกคน <c oughs> ไม่ได้ติเตียนท่านตีเตียนเรา พูดตามความจริงเป็นไปนั้นเราพูดแล้วพูดเล่าวิธีการต่อสู้กับวิริยแก้ไขต่อต้นตัวเองให้เล่นนอดจากสิ่งที่เป็นภัยต่อจิตใจเราพูดเสมอพูดแล้วพูดเล่าสิ่งท่านี้ก็ออกมาจากความคิดหลักคาบญ่าต่อมันนั้นแหละไม่ใช่อะไร ถึงขั้นเกตมันเกตจริงๆถึงขั้นเห็นโทษเห็นจริงๆหนึ่งธรรมก็เหมือนกันท่านเห็นคุณเห็นจริงๆเห็นจนถึงใจไม่มีอะไรเหนือธรรมน่ะสิ่งที่เคยเกี่ยวข้างพัวพันธุ์มาแต่ก่อนคืออะไรมันก็รู้แล้วปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรมันก็รู้ประจักษ์ใจทั้งสองอย่างซึ่งเคยได้สัมผัสสะพานกันมามากแล้ว ทั้งด้านกิเลสทั้งด้านธรรมะจึ ง, จงควรสนใจอย่างยิ่งผู้ปฏิบัติทั้งหลายอย่าสนใจสิ่งใดามากยิ่งกว่าการสนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับใจของตัวเองเหตุการณ์ไม่เกิดที่ไหนไเกิดที่ใจนั่นแหละเพราะกิเลส ต, ตัวสร้างเหตุการณ์หรือตัวเหตุการณ์จริงๆมันมีอยู่ที่นั่นมันสัง่งอยู่ที่นั่น ม, มันดันันอยู่ตลอดเวลาอยากให้รู้ให้เห็นอยากให้คิดให้ปรุงในแง่ต่างๆไม่มีคําว่าอิ่พอไม่มีว่าสิ่งนั้นคิดแล้วสิ่งนี้จําแล้วสิ่งนั้นได้สัมผัสสัมพันธ์มาแล้วตั้งโทษทั้งคุณของมันได้รู้ได้เห็นผ่านมาแล้วเป็นเดนไปจนเน่าเฟะแล้วไม่ควรที่จะเข้ามาสัมผัสสัมพันธ์ต่อใจซึ่งเป็นของไม่เน่านี้อีกต่อไปถ้าไม่ใช่ใจเป็นตัวสมัครเน่าอย่างเดียวเชี่ยนเดียวกับทิ่เลือแล้วะ มนเรื่องของกิเลสมันแหลมคมขนาดนั้นมีกระโวนออกพรรษาแล้วการจย้ายผันแปรในสภาพต่างๆนะั้นมันมีอยู่รอบตัวรอบเราทุกท่านยึงไม่ควรนอนใจออกไปไหนก็อย่าละความดีที่ตนจะพึงทำเพื่อตัวเองเพราะความดีนี้ไม่มีนอกมีในไม่มีใกล้มีไกลเป็นความจาเป็นที่ผู้ หลังความสุขความจเจริญต้ต้องสะแสวงหาความดีภายในเพื่อตัวเองเสมออย่ามองข้ามตัวความดีความชั่วตัวเองนี่แหละเป็นผู้สร้างขึ้นมาเราอยากเข้าใจว่าดินฟ้าอากาศแดดลมอะไรจะมาสร้างให้ตัวของเราเนี่ยท่า น, นจึงสอนลงที่กรรมศาสนาคำศานสานาธรรมถือกรรมเป็นถือกรรมเป็นหลักเป็นสำคัญมาก คือการกระทําอย่าได้ประมาทในการกระทํานีสิส ม, มะกำลังเสือยู่ให้พิจิตรพิจารณาค่อควรถ่องแท้ซะก่อนแล้วคว่อยทำลงไปแม้ผิดพลาดก็ไม่มากแต่ส่วนมากมักจะถูกมากกว่าผิดถ้าใช้ความพิจิรพิจารกก่อนส่วนมากมันพวดพราดเพราะกิเลสมันถักดันออกมาอย่างรุนแรงกระทบอะไรเข้าไปก็เป็นปืนเป็นปลายไปหมด มันจะเป็นทนําได้อย่างไงก็พิเดียรเป็นผู้ผลักออกมาให้ลูกให้เห็นให้สัมผัสสัมผัสผลที่ได้รับก็มีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนเท่านั้นถ้าเป็นทําผลักดันออกมาแล้วจะเป็นความร่มเย็นเป็นสุขเย็นทั้งขณะที่ทําเย็นทั้งขณะที่ผ่านไปแล้วคือผลปรากฏขึ้นมาก็เย็นระหว่างพระพุทธเจ้าสาวกของพระเจ้ากับเราอย่าเข้าใจว่าห่างกันเท่านั้นโยตเท่านี้โยต ห่างกันเท่านั้นปีเท่านี้เดือนนั่นเป็นเรื่องของโลกของสงสารแล้วก็ไม่พ้นที่กิเลสจะเข้าแทรกจนได้อ น, นั่นก็คือเป็นเรื่องของกิเลสมันหลอกสัตว์โลกว่าพระพุทธเจ้าพิดิผพานานานไปแล้วประการหนึ่งประการหนึ่งพระพุทธเจ้าไม่มีพระธรรมไม่มีพระสงฆ์ไม่มีนี่มันปิดขนาดนั้นถ้าสัตว์โลกยังเล็ดลอดออกไปเชื่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ ได้อยู่มันก็ขยับเข้าไปอีกทางหนึ่งว่าเวลานี้พระพุทธเจ้าป ร, ริพาันธ์นานแล้วใน 2,500 กว่าปีปนิพันธ์ที่อินเดียนั่นแล้วพระเสด็จพระสด็ศระเสลาของท่านไม่มีอะไรเหลือเป็นปุ๋ยผงไปหมดแล้วเราปฏิบัติธรรมเพื่อหาประโยชน์อะไรเมื่อศาสดา ก, ก็เป็นปุ๋ยผงไปแล้วนะนี่อย่างเรื่องของจิเดสมันแทรกเข้าไปแทรกเข้าไป ภาษาโลกทั้งหลายก็ไม่มีความหมายอะไรเพราะท่านก็ปไปผพานไปเพียเดียวกับพระพุทธเจ้าถ้ายนีจัตุโลกทั้งหลายยอมรับพระพุเทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่ามีอยู่นั่นก็ปิดทางไปอีกทางหนึ่งว่าธรรมก็เมื่อพระพุเทธเจ้าพระสงฆ์สาวกปรไปผ่านไปแล้วธรรมกัยังตกค้างอยู่ได้อย่างไรเพราะท่านเหล่านี้เป็นผู้ทรงอัดทรงทำไว้นั่นก็เป็นอุบายของมันแต่ละอย่างอย่างส่วนความจริง ตรงกันข้ามพระพุทธเจ้าหาเหินที่ไหนคำวมารู้ทำรู้ที่ไหนเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาเป็นขึ้นที่ไหนเป็นขึ้นที่พระไทยพระไทยคือใจทําไมจึงเป็นขึ้นมาได้เพราะเหตุผลกลไกอะไรเพราะข้อปฏิบัตินพระพุทธเจ้าปฏิบัติอะไรถึงได้รู้สิ่งที่ปฏิบัตินั้นได้ล่าสมัยไปแล้วหรือทําไมพระพุทธเจ้าปฏิบัติได้รู้ได้เห็นได้เพราะวิธีการอันนั้น ทั้งๆ ท, ที่ไม่มีพระพุทธเจ้าหรือศาสด า, ศ า, ศาองค์ใดหรือท่านผู้ใดมาแนะนําสั่งสอนอุบายวิธีการต่างๆให้พระพุทธเจ้าเลยทรงําดํำคาขาวประดมทางผู้อื่นแต่<ว>เป็นความจริงเป็นสัจธรรมเป็นทางถูกต้องที่จะให้หลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายได้เช่นพระองค์ทรงพิจารณากําหนดอนาปานาสติเป็นต้นนี่นี่คือองค์แห่งสัจธรรมซึ่งไม่ขึ้นอยู่กับปีตอนาคต แม้จะม่มีใครมาบอกก็าตามความจริงต้องเป็นความจริงมันดังคํามเมื่อได้อย่างจิตอย่างสติปัญญาเข้าสู่ความจริงแล้วทําไมจะไม่เป็นความจริงขึ้นมาให้เห็นประจักษ์ใจนี่แหละพระพุทธเจ้าเดียดจสรู้อย่างพระสติปัญญาลงไปในสัจธรรมคืออนาัปปานาสติจนกมะทั่ ง, า ท, างทุกสิงทุกอย่างละเอียดแนบแน่นลงไปตามๆกันลมที่เป็นเครื่องยึดของจิต ของพระจิตก็ละเอียดแนบแน่นลงไปพระจิตก็ละเอียดลงไปเมื่อจิตละเอียดลงไปถ้าเป็นน้นนําก็ น, นิ่งย่งงยอมสงบย่อมใสถ้าปัญญาก็อย่างทราบไปตามอาการต่างๆในกระนาดนั้นมีเป็นอธิบายชาของพระองค์ที่ทรงดําเนินมาโดยไม่มีใครบอกใครเล่า แต่อาศัยความจริงึือไม่ขึ้นอยู่กับการสถานที่หรือบุคคลผู้หนึ่งผู้ใดเลยเป็นความจริงการปฏิบัติของพรค์ก็เป็นความจริ ง, ฏฏงจริ ง, รงต่อจริงเข้ากันได้สนิทไม่อ้างการไม่อ้างสถานที่ไม่มีสิ่งใดมาเหนี่ยมนาดจีดขวางหรือกั้นกลางไว้ได้เพรา ะ, ะนั้นพระพุทธเจ้าที่ในตรัสรู้ธรรมของจริงขึ้นมาเพราะการดําเนินตามของจริงซึ่งไม่ขึ้นอยู่กับอะไรหลายทั้งสิ้นแต่ขึ้นอยู่กับความคิงของตนน้อยกว่าสเมื่อในตรัสรู้แล้ว ก็ประทานพระโอาวาสด้วยของจริงความจริงที่ทรงรู้ทรงเห็นมาแล้วนี้เดะดังแสดงเกิดพระเป็นเจ้าวจีตั้งหกัก <c oughs> อันใดที่ผิดก็ทรงแสดงบอกว่าผิดการบุกรมานตนให้ลำบากเปล่าๆก็ไม่ใช่ถามเพราะกายไม่ใช่จะเป็นผู้ตรัะสะรู้ธรรมใจตั้งหากเป็นผู้ตรัะสะรู้ธรรม การฝึกการทรมานตนในทางกายโดยไม่มีจิตเข้าไปเกี่ยวข้องในการทำงานนั่นเลยก็ไม่เกิดประโยชน์เช่นนอนบนขวากบนน้ำนอดอาหารกี่วันก็าตามถ้าไม่มีจิตตภาวนาเข้าไปเกี่ยวข้องนั่นก็ไม่เกิดประโยชน์ท่าเว อ, อัตตะกินลมัานโยกันมาการสุขขันิการนุโ ย, โ ย, โยทั้งสองประเภทนี้ไม่ใช่ทางพระองค์ทรงแนะนำสั่งสอนให้ละให้หยุด มัชฉิมาปฏิปทาต่งางๆนั่นที่นี่ย้อนธรรมมาสู่ทางที่ถูกต้องคําว่ามัชฉิมาขึ้นอยู่กับการจสฐานที่ขึ้นอยู่กับผู้หนึ่งผู้หนุ่มผู้ใดที่ไหนแต่ขึ้นอยู่กับความจริงล้วนๆถึงว่ามัชฉิมามัจฉิมาขึ้นเหมาะสมกับความจริงสิ่งที่ทําทั้งหลายคือมัชฉิมาจะพิจารณาก็เป็นความจริงด้วยกันสติปัญญาศรัทธาความเพียร น, นับตั้งแต่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังโปะจงกระทั่งสัมมาสมาธิ ก็เป็นความจริงด้วยกันเมื่อกําหนดลงสู่ความจริงแล้วจาต้องรู้ได้เห็นได้นางแสดงอย่เป็นจาวกี <c oughs> ชาติปิตุกขาชาลาปีตุขามันเกิดอยู่ที่ไหนมันแก่ที่ไหนทุกเกิดที่นั่นเป็นลําดับลาําดา มั น, นว่อนได้ตั้งแต่ความทุกข์ความทุกข์มีอยู่ที่ไหนก็มีอยู่ในธาตุในขันเนี่ยบอกเข้ามาหาจุดความจริงนี้ทั้งฝ่ายหยาบได้แก่รูปประขันทั้งฝ่ายละเอียดลงไปนด้แก่นามได้แกนามนาำ ม, มาขันก็ถูกหรือว่านามมาทำก็ถูกความคิดที่เป็นไปตามสัญญาอารมณ์ การกิการมาตัญหาภพะวตัญหาวิภวะตัญหาเหล่านี้เป็นความอยากที่ทําคนให้เกิดความทุกข์ความลําบากตลอดไปไม่เคยมีความอยากตัวไหนอันขึ้นที่ว่ากิ่เลียดสร้างขึ้นมาจะสร้างความสุขความเจริญให้แกิโลกให้เกิบุคคลหรือสัตว์โดยรับความลําบากโดยให้รับความสะดวกสบายหรือมีความสุขความเจริญเสมอไปนั้นไม่มีนอกจากเป็นเครื่องล่อเล็กๆน้อยๆเท่านั้นแล้วก็เอาทุกข์ใส่เข้าไปเอายาพิษใส่เข้าไป ในเกิดแก่เก็บตายควรกว่ายอยู่ในระหว่าง่างพบก็กวนกวายการเกิดกิเป็นทุกข์การตายก็เป็นทุกข์เกิดมาเป็นรูปเป็นกายเป็นสัตว์เป็นมนุษย์ก็เป็นทุกข์มั น, นมแีแต่กองทุกข์วางเป็นสายยาเหยียดล้วนแล้วเสร็จเป็นเชื้อเพลิงของยิ่งเลทั้งนั้นพระองค์ก็ทรงสั่งสอนให้ทราบหมดจากนั้นกรมรมสมาธิสีสมาสังกปูได้จากองค์ของปัญญาอุพปนีิพิจารไข้ควรตามหลักความจริงเหล่านี้ นับตั้งแต่ชาติปิดุขาเข้าไปให้มันเห็นชาติตามเรื่องธาตุเรื่องขันซึ่งมีหยุ่นกับตัวของเราด้วยปัญญาแยกแยะดูทุกสัตว์ทุกส่วนที่กิเลสมันมันปิดมันบงังมันเอาสิ่งจองกลองมาหลอกลวงให้เชื่อยึด ใ, ให้ถือดังที่ว่าความสวยความงามความกิรังถาวร <c oughs> อั น, นมันมีที่ไหนเมื่อพิจารณาตามความจริงแล้วมันไม่มีแต่โลกก็เชื่อได้เพราะมันแหลมคมมากคนมายาคงกิเลสเกินกว่าโลกทั้งหลายจะรู้ตามธรรมะอันได้จึงต้องเชื่อยอมเชื่อมันทั้งๆ ท, ที่หาความจริงไม่มีก็เชื่อไปอย่างลมๆแรงๆไปอย่างนั้นเองเมื่อความเชื่อเป็นลมๆแรงๆหาตัวจรินไม่ได้หาความแตกคนาจริงไม่ได้ทํ า, ามไมไ จะไม่เป็นเรื่องโกหกตัวเองทำไมจะให้เป็นทุกข์คว้าน้ําเหลวล่ะต้องคว้าอ น, นีนาให้ลงสู่คําจริงังชาติปีตุขาก็กองทุกไฟทั้งกองใครจะไปอาดเอื้องไปจับไปต้องไปยึดไปถือมันละ่ะไฟทั้งกองนั่นชาติปีตุขาก็คือไฟกองหนึ่งชาาปิตุขาหรพยาติปิตุขามันก็ล้วนแล้วตั้งแต่ปืนแต่ไฟทั้งนั้นใครจะไปกล้าหานอาดเอื้องไป แต่ไปต้องไปแบกไปหามไฟทั้งกล่องนั้นแล้วี่ถ้ารู้ด้วยปัญญาก็เป็นอย่างนั้นท่านบอกไว้หมดชาติปดูขานั้นไฟกองหนึ่งหนานี่ชาาราติปีูุขาพญาปิฏกปีตุขาก็มีแต่ไฟกองหนึ่งคนงมานําไปดูขังล้วนแล้วแต่ไฟแต่ละกล่องละก่องมันเป็นความสุขความเจริญที่ไหนมันเป็นความสวยความงามที่ไหนมันเปลี่ยนชีวะแล้วใครชอบใจเป็นหนาที่หลงหลงมาที่ตรงไหนมันไม่มีน่ะ พูดถึงเรื่องปัญญาอย่างน้อปัญญามันมีแต่ไฟทั้งกองไฟทั้งกองทั้งนั้นอืเรายังจะฝืนคำสัตยดาองค์เอกที่แสดงออกมาแต่ความจริงล้วนๆแล้วปยึดเอาเทวทัศน์สิ่งที่จอมปลอม น, นั้นมาเป็นสนธะมันก็มีแต่ปืนแต่ไฟที่เรากอดไฟเราจับไฟห้ามไม่ฟังมันก็มีแต่กองทุกข์แล้วจะหาใครมาช่วยเหลือให้ขี้เลียช่วยเหลือก็เ ห, เหยียบย่าเข้าไปเรื่อยๆเอาจนกระทั่งเป็นผุยเป็น ผ, ยนผงยาว่าเป็นเพียงเท่าเป็นฐานเลยมัน กายเป็นผุ๋ยเป็นผงไปได้ท้ากิเลสช่วยข้อกิเลสต้องทํางานหน้าที่ตามอุบายวิธีการของกิเลสเรื่องของธรรมต้องทํางานตามหน้าที่ของธรรมธรรมเป็นเครื่องส่งเสริมเป็นเครื่องฉุดลากเป็นเครื่องพยุงขึ้นไปเดินดับกิเลสเป็นเครื่องเหยียบย่าทำําลายระหว่างทั้งสองนี้เอาอะไรเราเป็นนักรพสนักปฏิบัติเพื่อหาความจริงล้วนๆอยู่ภายในจิตใจแล้วเราจะเอาอะไรเป็นแช่หนังขรามนี่ ทำพระสันนัตฉานีก้กพิจานาลงให้เห็นตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้สิล่าสมัยที่ตรงไหน อ, ขอืของไม่สวยไม่งามล่าตรงไหนดูในกายของเราพอนี้ขางไม่กิรังถาวรล่าสมัยที่ไหนมันแปรยอยู่สภาพสภาพอตลอดเวลาภายในร่างกายและจิใตใจของเรานี้มันล่าสมัยไปที่ไหนพิจานาลงตรงนี้ทำไมจะไม่รู้เพราะเป็นของมีอยู่จริงอยู่กับตัวของเราไม่ได้โกหกกันพอจะลูกลกความคําเหมือนจิเลศมันหลอกเรา เรายังอุตส่าห์เรายังบึกเบือนกับมันลูปครรมไปกับมันได้แตตั้งที่หาความกินไม่เจอมีแต่ความทุกข์ที่เผาขึ้นมาเผาขึ้นมาเพราะการลูปครรมไปตามมัน mm. เราก็ยังพอใจทําไมจริงจะไม่พอใจกับอัดกับทำตามความจริงที่พระองค์ท่านสอนไว้ mm. มีแต่คมทุกขังอะไรตัรจังมีเป็นผลที่เกิดขึ้นมาจากกาฏฐานาพระวัตั์หาวิภระวัตาหานั้นเป็นผู้สร้าง ตัวผลนี่ขึ้นมานถ่าวต้นหาคืออะไรก็ได้อ่านแล้วดูแล้วในคัมภีร์มีองไหนจะสงสัยมีใครจะสงสัยก็เห็นอยู่แล้ว้าไมเพียงแต่เอาความจาเข้ามาเป็นความจริงหลอกตัวเองเท่านั้นถ้าเอาความจริงตามเพื่อความจริงนะมันจะหนีพ้นตามหลักธรรมที่ท่านสอนมาอย่างไง ธรมตัณหาก็คือความทะเยอทะยานคือความหิวความกระหายมันกวนมันบีบคั้นคนมีความอยากมีความสบายเมื่อไหร่มีความหิวความกระหายมีความสบายเมื่อไหร่คนไม่สัตว์โลกไม่เคยสบายด้วยความหิวความกระหายสบายด้วยความอิ่มพอต่างหากนี่เรียเป็นไปเพราะความหิวความกระหายตลอดไปเลยนักทีตัณหาสมานัาถีไม่มีแน่แม่น้ําใดจะเสมอแม่น้ําคือที่เลยคือความอยาก ไม่มีเมืองพอส่วนธรรมนั้นแก้วความอยากให้เป็นความอิมพอขึ้นมาโดยลําดับลาดัตั้งแต่ขันสมาธิเต็มภูมิแล้วก็อิมพอในของในตัวเองก้าอสูปัญญาพิณิพิจนาทางด้านปัญญาหรือสมาธิเป็นฐานที่พักที่อาศัยเป็นอาหารสําหรับรับทานเยียวยากําลังวังชาจะได้มีขึ้ น, นสมาธิเป็นที่พักเมื่อจิตเป็นสมาธิจิตจ้องไม่หิวโหวย จิตยอมทรงตัวได้เป็นตัวของตัวในขั้นนี้แล้วควรจากการพิจารณาทั้งหลายได้โดยไม่ทะเ ล, ะลาไหเพราะความยึดหยบีบบังคับหรือสุดลากให้ไปนี่ยสัญญากับพิจารณาตามสภาวธรรมดังที่กล่าวมาเหล่านี้แล้วเล่าถือนี้เป็นงานขุดค้นลงที่นี่จำเป็นไม่จำเป็นถือที่นี่เป็นเป็นฐานสาคัญไม่ถือการไม่ถือสถานที่ไม่ถือบุคคลผู้หนึ่งผู้ใด เวลาเข้ามาขีดมาขวางแต่ถือสัจธรรมนี้ทํางานเพื่อสัจธรรมด้วยกันหรือทํางานด้วยสัจธรรมด้วยกันหรือถือจสกุลกาลนี้เป็นสถานที่แยกแยะพินิจพิจารณาทางด้านสติปัญญาตาตาความเปลี่ยนหมุนปั่นลงที่นี่การมาตัญหามันจะผ่านพ้นอํานาจของมัชชิมาไะได้อย่างไรเพราะว่ตัญหามิภาวะปัญหามันเกี่ยวโยงกันอยู่นั้น เหมือนกับไฟได้เชื้อมีเชื้อที่ไหนไฟจะไหม้เข้าไปลูกหลางเข้าไปนี่กัตบตปธรรมไหม้เข้าไปกา ร, รตัญหาอยู่ที่ไหนภวะปะัญหาอยู่ที่นั่นเนี่ยยี่ภาวะปะัญหาก็อยู่ที่นั่นมันเผากันเข้าไปโดยลแบบําดับลําดับจนเกลี้ยไม่มีเหลือนั่นเพราะฉิ่งเนี้เป็นเชื้อของไฟได้แก่ตปธรรมจะต้องแผดเผาเข้าไปตรงนั้นนี่ท่านเราของจริงมาสอนพวกเราอริยสัจสี่ท่านสอนไม่อย่างนี้เนี่ย การทานผู้ชนะตลอดถึงผลที่ท่านยังไม่เคยรู้ก็เห็นท่านก็บอกไม่เคยรู้ก็เห็นอืเมื่อท่านรู้เห็นแล้วท่านก็บอกว่าท่านได้รู้แล้วเห็นแล้วนีเปร ะ, ะกาศท้าทายความจริงต่อเบญจบาคีทั้งห้าทําเหล่านี้เราไม่เคยรู้ก็เห็นเราก็บอกเราไม่เคยรู้ก็เห็นเวลานี้เรารู้เราเห็นแล้วเราก็บอกเราได้รู้ได้เห็นแล้วจะเชื่อหรือไม่เชื่อความจริงก็ตาม สำหรับผู้ฟังหาความจริงมีแล้วจะไม่เชื่อได้อย่างไงต้องเชื่อต้องเชื่อและอย่างลงสู่ความจริงได้เป็นลําดับลาดานจนกระทั่งถ้าอัญญากนอัญญาได้เติมอุทานออกมาด้วยความถึงใจว่ายัง่งกิจจิสมุนไดสมุนได้จะทํามังสัปปัญตังนิโรยสำมังสิงได้ก็ตามเกิดขึ้นดับทั้งนั้นน่พูดให้ถึงใจตามหลักปฏิบัติถ้าพูดว่าจริงได้จริงหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาดับเป็นธรรมดามันก็เป็นลอยๆไปธรรมดาไม่ค่อยจอดจ่อต่อเนื่องหรือไม่ค่อยถึงจุดถนัด ของกิเลสอยูและจุดถนัดของธรรมที่สถิตอยู่สิ่งใดก็ตามขึ้นชั่ว่าสมมุติขึ้นชั่วมันเกิดขึ้นแล้วต้องดับทั้งนั้นนะ่ถึงใจจากนั้นท่านก็แสดงอนัตตาและณะสูงให้ฟังในอันดับต่อไปมีพูดถึงเรื่องแปรสภาพของแห่งความละเอียดของธาตุของขันด้วยสติปัญญาขั้นละเอียดย้มคงเข้าไปโดยลําดับลนาดา รูปังอนัตตาเนี่ยเวทนาอนัตตาสัญญาอนัตตาสั้งขาลาอนัตตาวิญญาณังอนัตตาเนี่ยสุดท่ากับสเบธมานาตาไปหม ด, เ ป, ดเปิดเปิดออกไปให้ปล่อยปล่อยอนัตตาอย่ายึดยึดประหารอะไรอันนี้จังทุกขังอนัตตามันเป็นกองฝืนกองไฟต่างนั้นไม่สมควรที่จะมายุดถ้าไม่อยากจะจมอยู่ในกองฝืนกองไฟอย่ายึดแสดงออกให้เห็นชัดเจนี้ ตรงนี้ท่านนี้เป็นดาวิระสติวิวาาราการิมุติสติอิมุตินิมุตินิสติญาณังหติเมื่อจิตได้เบื่อนายได้คลายกำหนัดกำหนัดมันหมายถึงความยินดีไม่ได้หมายถึงกำหนัดแบบโลกแบบสงสารแต่เมื่อไม่มีอะไรให้ชื่อให้นามที่จะเหมาะสมท่านก็เอานี้ไปชื่อเป็นชื่อไปถแต่ละเอียดยิง่งกว่านั้นก็หมายถึงความยินดีอันละเอียดตามขั้นของกิเลส ข, ของธรรมไปโดยลํำดับลำห น, ๆๆนาตรงนี้ท่านจิตมันเบื่อหน่าย เพราะสิ่งเหนี้ไม่ใช่ของจริงที่ควรจะยึดถือเอาเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์บุคคลได้แต่เป็นสิ่งที่จะต้องสลัดตัดทิ้งเสียโดยสิ้นเชิงนั่นแน่ถึงจะเจอสิ่งที่กระสุดเลิศเลอได้อย่างลงด้วยปัญญาชนิดแล้วย่อมสลัดเองเมื่อสลัดสิ่งนี้แล้วความจริงสภาพอันหนึ่งซึ่งมีอยู่ภายในใจนี้ก็ไม่ต้องพูดเพราะใจพร้อมพร้อมแล้วที่จะรู้จะเห็นความจริงของตัวเองเป็นแต่เพียงว่า สิงจำความทั้งหลายมันปกคลุมห่ อ, อยู่เท่านั้นจึนรู้ไม่ได้เห็นไม่ได้ก็จํายอมคืนไปทั้งก้างทั้งกระดูกนั่นยังมีสุขทุก ข, ข์ทุก ท, ก, ท, ก, ทกเชียวโปร น, นไปโลกสงสารเป็นเช่นนั้นดูจิตนี้ความทุกข์จะดูที่ไหนดูสุขให้ดูที่นี่นี่เป็นที่รวมแห่งทุกข์ทั้งหลายไม่รวมอยู่ที่อื่นไม่อยู่การอยู่สถานที่อยู่ที่โน่นที่นี่ไม่อยู่กับพระพุทธเจ้าองค์นั้นสาวกองนี้แต่อันอยู่ที่นี่ทำท่านสอนลงที่นี่ให้ยึดนี่เป็นหลัก ระหว่างพระพุทธเจ้ากับพระสาวกถึงทำทั้งหลายที่ท่านนำมาประกาศสอนโลกจะไม่ห่างไกลจากความจริงอย่นี้คือสัจธรรมนี้เปิดสัจธรรมขึ้นให้แจ้งชัดทั้งสี่ประเภทหรือสี่ประการนี้แล้วมีมุติธรรมก็ไม่ต้องถามเพราะอยู่ในท่ากลางสัจธรรมนี้แล้วในการปฏิบัติธรรมในขุดค้นตรงที่นี้ อยู่ด้วยกันมากว่านานขามูกับคณะหมู่เพื่อนกมาหาเรืเล ย, เลยมองดูทีไรมันสะดุดทุกทีทุก ท, ท, ก ท, ก ท, กทีมันไม่ทราบไปอยนางไรแสดงถึงเรื่องจิตแสดงถึงเรื่องสติปัญญามันไม่กับเพื่อมตัวเองนั้นมีแต่ยิ่งเล่นครอบหัวใจแสดงออกมาให้เห็นให้เห็นแทนที่จะเห็นธรรมกม เหมาะสมกับผู้มาปฏิบัติธรรมมันกับเห็นแต่เรื่องกิเลสแสดงตัวออกมาแสดงตัวออกมาโดยเจ้าตัวก็ไม่รู้เลยนะมันเห็นไี้อย่างนั้นแต่ว่ายังไงทำที่ที่เราขนฝายอยู่ตลอดเวลาในความรู้สึกของเราว่าเราขนฝอยทำเราบวมเลีมนทำตลอเวลาแทนที่จะได้เห็นผลนั้นแสดงตัวออกมาทางมายากทาั้งการแสดงออกทางกายทางวาจามันไม่เห็นมันเห็นแต่เรื่องของกิเลส แสดงออกมาจะปฏิบัติอย่างไรหากันนำมาพิจารณาอีกทีในธรรมข้อนี้ตอนนี้ไม่ใช่เป็นผู้จะหาเรื่องหาราวหาโทษทับพูดอะไรให้หมู่ให้เพื่อนนอกจากจะสงเคราะห์หมู่เพื่อนด้วยความเต็มอกเต็มใจจนเต็มสติิกําลังความสามารถทุ่มท้งหมดเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นมันบกพร่องที่ตรงไหนจำเป็นต้องพูดกันให้เข้าใจาแสดงว่าสติปัญญานี้ไม่เพียงพออันนี้ถึงแสดงออกมาได้ถึงโถตัวออกมาได้ถึงทํางานออกมาได้อย่างอาจอางหาอยังไม่รู้สึกตัว เลยสําหรับผู้ที่เป็นตุกตาให้มันเป็นเครื่องมือก็ดีลองพยายามฟิตสติปัญญาให้ดีดูจิตอย่าไปดูที่อื่นมันแสดงความงูเง่าเต่าตุต๋นมันการแสดงความฉลาดแยบคายจะแสดงขึ้นที่นั่นเนี่ยมันแสดงที่ไหนร่างกายกิริยามารยาทนี้มันเป็นเครื่องมือของจิตจิตนั้นมีอะไรถือเป็นเครื่องมืออีกทีหนึง่งกิเลสมันหนาก็กิเลสถือเป็นเครื่องมือแสดงมาทางกายทางวาจา กิเลสมันบางลงไปทำค่อยจะเดินนุ่งเรืองขึ้นมากิยาการก็จะเป็นอัดเป็นธรรมน่าดูน่าชมเห็นผลในการสอนก็ออกผลเริ่มแสดงแล้วผู้ปฏิบัติใช้เองเจ้าของใช้เองก็จะเริ่มภูมิใจเจ้าของว่าได้รอบไปเป็นตามขั้นตามผลโดยลําดับลาดาแล้วนะการปฏิบัติต้องในเร่งผลอยู่เสมอไม่เช่นนั้นจะไม่เห็นผลเห็นอะไรนะ นี่ออกพรรษาแล้วก็แยกย่า ก, กันไปต่างถิง่นต่างฐานต่างบ้านต่างงานน้องตนที่จะต้องจัดต้องทํามันถักเป็นความจําเป็นอยู่นั่นแหละโลกอันนี้มันจัดไม่ทําไม่ได้ต้องเป็นต้องไปอย่างนั้นด้วยกันจะอยู่ในทวีตใดที่ไหนก็ตามในโลกอันนี้ต้องสร้างอยู่สร้างถินต้องยิ่งเต็มพล น, น้าใแต่ยังไงก็ตามก็เพื่อเราเราต้องให้เป็นเนื้อเป็นหนังของเราอยู่เสมออะไรผิดอะไรพลาด ย่าให้เราผิดพลาดอะไรขาดตกบกพร่องย่าให้เราขาดตกบกพร่องเมื่อเราผูเ้เป็นผู้จะรับเคราะ์รับกรรมอันดีอั น, นชั่วคือเราอันนี้ต้องตั้งรากตั้งฐานไว้ให้ดีไม่มีอะไรมีคุณค่ายิ่งกว่าใจใจใเป็นพื้นฐานแห่งความรู้เห็นจึงเรียกว่าอะนี่ผ่านเที่ยงหมายถึงจิตที่บริสุทธิ์ล้นลนแล้วไม่มีอะไรทําให้เอ็งให้เอีย ง, ยงนั่นแหละเที่ยงนี่เราตั้งความ หวังไว้กับใจตรงนี้ได้อย่างเต็นผุม่มนอกนั้นตั้งกับมันไม่ได้มีแต่น้จั ง, จงทุกขั้งาตาที่จะคอยพาทำให้พังทลายพังทลายไม่ใจมันได้ยังไงอมะตะจิตอมะตะธรรมจิตดวงนี้ต่างหากแม้จะยังไม่ไหลุดพ้นก็ตามจิตตรงนี้ก็เป็นพื้นเป็นฐานให้เราได้ยึดให้เราได้เกาะเป็นความดีสําหรับตัวเองให้มีความชุ่มเย็นอยู่ตลอดไปไม่หมดหวังอันนี้เพราะเป็นจุดแห่งความหวังได้อย่างเต็มร้ปร์เ็นต์อยู่แล้วถือนี้เป็นหลัก แล้วทำอะไรๆทำเพื่ออันนี้สิ่งเหล่านั้นเราก็เห็นกันอยู่รู้กันอยู่นี่แหละมันเป็นของไม่แน่นอนมีการเปลี่ยนแปลงแปรปรวนอยู่รอบด้านทั้งไกลทั้งไกลทั้งในทั้งนอกขอบเขียดดินแดนมีอยู่เท่าไหร่มันแปรสภาพของมันมันแสดงตัวของมันอยู่ทุกแห่งทุกผนนั่นแหละเอาความแน่นอนเข้ามันไม่ได้แต่ใจนี้แน่ในความที่จะเป็นตัวของตัวได้แม้จะยังไม่ชิ้นจะยังไม่เป็นตัวของตัวอย่างเต็ม ที่ก็ตามแต่ก็เป็นตัวของตัวได้ในการยึดจิตเป็นหลักจิตไม่ตายอืมมีความหวังได้อยู่เสมอเมื่อได้รับการอบรมเมื่อบงตนได้กล่าวถึงเรื่องหลงปู่มัน่นเกี่ยวกับพระกำเนิดต่งหลายได้พูดถึงว่าพวกพระพงค์เนทั้งหลายที่ไปเกี่ยวข้องกับท่านมีแต่ครั่งที่เละมีแต่หอกแต่แหลมแต่เหลาแต่ฟืนแต่ไฟ เขาท่านโดยไ ม, ไม่ไม่รู้สึกตัวไม่มีเจตนาอะไรเลยสมมติมแต่ก็ถือไฟอย่างลูกโจรไปตลอดเวลาทําไมมันจะไม่แต่เผาคนนั้นเผาคนนี้นี่องค์ท่านเองไม่มีทําทําไมมันจะไม่เหลือ อ, อดลื้อทนกับพวกเราเหรความละเอียดต่างกันเช่นนั้นคุนณครูซาบแนะนำตะเกีอนสั่งสอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มจิตกำลังความสามารถด้วยมาจนกระทั่งถึงเวละสุดท้ายที่สอนไม่ได้แล้วก็อยู่ ข้อสอนได้เล็ก ๆ, ๆน้อยๆท่านก็อสอนเวลายิ่งเวลาจําเป็นเข้าไปเกี่ยวข้องกับท่านข้ออานก็ทําในข้อใดนี้ท่านจะสอนทันทีเลยเมื่อมีปัญหาเรียนถามท่านประการใดท่านจะตอบให้อย่างถึงใจถึงใจย่อๆไม่ต้องเอามากมาให้เหมาะสมทีเดียวใส่ลงตูมเดียวสองตูมเท่านั้นพอพอท่านรู้จุดหมายสําคัญสาคัญในการตอบปัญหาเพื่อประโยชน์แก่ผู้เข้าไปเกี่ยวข้องศึกษาท่าน ถึงว่านราสุดท้ายที่จะพูดมากไหมนะท่านก็พูดเอาแต่เด็สําำคำน้าคัำเอาแต่น เ, นเนื้อออกมาท่านได้ไปอย่างเต็มใจภูมิใ จ, ใจเลยเวลาท่านผ่านไปแล้วก็หาที่ยึดที่เกาะไม่ได้เพราะตามธรรมดาของจิตใจสามัญคนเรามันก็ต้องได้ยึดรูปยึดวัตถุเป็นสาคัญทางหูก็ได้ได้ยินได้ฟังทางตาก็ได้เห็นซึ่งเป็น สิ่งที่ได้ซึมซากระดึงใจเพื่อเป็นกําลังของจิตใจเวลาท่านพักผ้าจากไปแล้วตาก็ไม่เห็นหูก็ไม่ได้ยินใจจะคิดเ น, นี้ยอาจเนี้ยทาจากการไม่เห็นได้ยินใน่ฟังนั้นก็คิดไม่ได้เพราะไม่ได้มาจากทางนั้นเพราะท่านผ่านไปแล้วนี่ก็เป็นการเสียประการหนึง่งแม้ทําจะมีอยู่แต่ไม่มีผู้ขุดคุ้ยขึ้นมานั่นก็ไม่เห็นไม่รู้ไม่สะดุดใจมีเวลานี้เราอยู่ด้วยการมาศึกษาอบรมก็ให้คิดข้อนี้ให้มาก เราจะเห็นว่าเป็นสิ่งที่เคยได้ยินได้ฟังกิเลสนั่นแหละมันมากกว่าสิ่งใดมันเคยสัมผัสสัมพันธ์เคยฝังจนมีภารกิตใจเราไม่เห็นไม่ได้คิดมันอย่างนั้นว่าเคยได้อยู่กับมันแล้วสนุกสนานคุ้นเคยกันแล้วอยู่กับกิเลสี่ไม่เป็นไรล้ะเคยเป็นมิตรป็นหากันมาแล้วเราไม่เห็นว่า<ม>ไฟเราคุ้นกับมันได้อย่างไงที่เขาตรงไหนน้อนตรงนั้นที่เอาจนเป็นเท่าเป็นฐานก็เป็นได้มีกิเลสมีหลายประเภทเอาจนเป็นเท่าเป็นฐานก็ได้ หาคุ้นกับมันเมื่อไหร่ก็ต้องเป็นเช่นนั้นไม่มีผลดีที่จะน่าทั้นในการคุ้นกับพิเรนนอนใจกับพิเรนนอกจากจะเป็นผู้สนิทติดกับธรรมไข่ธรรมปพฤตปฏิบัติธรร ม, รรรมเพื่อการชำระท่าสารให้ถิ่งนี้ได้ห่างไกลออกจากตัวของเราด้วยอํานาจแห่งธรรมเป็นเครื่องช้าล้างหรือผลักดันต่ อ, อไปนี่ระดับใหญ่ขอให้ทุกท่านนําไปประพฤติปฏิบัติสติเป็นสําคัญมากอยาได้ลืมนะ สตินั้นเป็นเครื่องตั้งตัวเป็นเครื่องรู้สึกตัวอะไรมาสัมผัสสัมพันธ์รู้ด้วยสติก่อนก่อนสติปัญญาจะออกจะก้าวเดิน ส, สติต้องเตือนก่อนเหมือนกับสัญญาณบอกภัยนั่นเองสัมผัสทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเรื่องราวอะไรสติเมื่ออยู่กับตัวแล้วจะรักทราทันทีทันทีครนะับปัญญาก็จะเริ่มขึ้นจะแพ้บ้างชนะบ้างไม่เป็นไรในขั้งเริ่มแรกถ้าหลายครั้งลายหวนต่อไปจนจะมีกำนานแล้ว ความแพ้ก็มีน้อยลงเดยลำ ด, ดับมีแต่ความชนะมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งถึงว่าแพ้ไม่ได้ไม่มีคำ ว, ว่าแพ้มีแต่ตายด้วยกันถ้ามาชนะก็ตายด้วยกันกับชนะเท่านั้นคำ ว, ว่าแพ้แพ้ไม่ได้เหมือนกับหมดคุณค่าจริงๆหมดท่าจริงๆสิ้นท่าจริงๆคนแพ้คิดของเราเมื่อถึงขั้นนั้นแล้วก็เป็นอย่างนั้นไม่มีใครมาบอกก็รู้เอง ถึงขั้นเด็ดเดด็จริงถึงขั้นสละเป็นสละตายสละได้จริงนี่เพราะอํานาจแห่งความเชื่อธรรมเห็นอย่างชัดเจนโทษก็เห็นอย่างถึงใจรู้อย่างถึงใจประจักษ์อยู่กับใจทำก็รู้อย่างถึงใจประจักษ์กับใจเช่นเดียวกันแม้จะยังไม่เป็นธรรมขั้นสูงสุดยมุตทภนิพานก็ถึงใจธรรมขั้นของธรรมที่จะเป็นกําลังใจให้ต่อสู้กิเลสอย่างเต็มเหนี่ยวถึงสละเป็นสล ะ, สละตายหาคํามาแพ้ไม่ได้นั่นแหละกําลังของ ของทำเมื่อได้ขึ้นแล้วต้องเหนือกิเลสเป็นลำดับจงถึงขนาดว่ากิเลส ต, ตัวใดแสดงออกมาไม่ได้ต้องแหลกไปใ น, นทันทีทันใดเพราะสติปัญญาทันเกลียงไกลมากถึงขั้นเกียงไกเแต่เวลาล้มลุกคลานก็ไม่มีกำลังไม่รู้วิธีโมโหกับโมโหอย่างนั้นแหละโมโหกิเลสมันเหยียบหัวเราโมโ ห, หมัน มันเขเหยียบไปทั้งที่ททโมโหเนี่ยมันไม่ได้ให้อภัยแก่ใครนี่ยียโอ้โหนี่เขาโมโหเขาเกียจแค้นให้เราเราก็ต้องพักซะ ก, ก่อนเบามือลงไปเพื่อเขาจะได้ตั้งเนือตั้งตัวไม่มีคำว่าเกลียดยิ่งอ่อนตัวทงประสาทมันยิ่งขยับใหญ่เลยมันนั่ใหญ่เอาแหลกไปเลยไม่ต้องท่าฮึดสู้นั่นนะอี่อเกลียดมันพลมาขนาดไหนทำไ ม, มต้องผลไปการผาดผลเพื่อความดีสําหรับเรา ตอพิเลตที่เป็นตัวผ่าผลจะผิดไปที่ตรงไหนเป็นความชอบธรรมไม่ชอบธรรมผู้เจ้าไม่สอนไวสอนเอาให้หนักมือหนักมือเอาให้เต็มที่ซึ่งสอนไวฉันทะเอาพอจะให้เต็มหัวใจวิริยะเพียรให้เต็มหัวอกยีตให้รักให้ชอบในกิจการของตนอย่ารักชอบในสิ่งใดยิ่งกว่าการงานของตนยิ่งกว่าจิตผู้ทํางานนี้ยิมังสาใข้คว ร, รงตรงนี้ให้ถึงใจ ปัญญารู้ให้ถึงใจแน่แล้วผลจะสําเร็จไปได้ไม่มีอะไรพ้นจากนี้ถนัดอธิบาทเนี่ยพื่อนเพลงความสําเร็จแปลออกแล้วหนะดูกับที่ที่ฉันทาวิริยะกิตตวิมังสานีเนี่ยถนัดเพื่อนเพลงความสําเร็จแปลฟังให้ได้ความเลยมันอยู่ที่นี่ันตั้งใจเพื่อปฏิบัติครูบาอาจารย์ก็น้ำวนล้อยหลอลงไปร้อยหลอลงไป ต่อไปนี้จะไม่มีผู้ที่แจง อ, อัดทำเพราะเราถ้าถ้าเราไม่สามารถที่จะทําความรู้ความสามารถให้เกิดขึ้นกับเราแล้วเราสอนเราก็ไม่ได้จะไปสอนอะไรให้คนอื่นนะเขาได้ถึงได้ดีถูกต้องแม่นยำถ้าเราไม่ถูกต้องแม่นยำแค่คนเดียวก่อนเวลานี้เป็นยังไงถูกต้องแม่นยำหรือผิดอย่างแม่นดนส่วนหน้ามีแต่ผิดอย่างแม่นดำยี่เด็ดมันเอาอย่างแม่นดาแม่นําก็ผิดอย่างแม่นดาแม่นดาของยี่เด็ดไม่ใช่แม่นดาของธรรมเวลานี้เราอยู่ในขั้นแม่นยา ในเรื่องของกิเลสสับเอายำเอาสับตรงไหนตูมเลยสับตรงไหนตูมเลยแม่นายำทั้งนั้นอทำมาสับยังไม่ถูกทะเลจะไหลพิปิดพลาดอือล้มในเนรนาฏไปเพราหน้าฏของกิเลสฟันเอาฟันเอกเอาให้กิเลสมันพังในเลรนาฏไปหเห็นเลยดังที่เคยพูดเสมอเมื่อถึงระยะถึงการที่สามารถฆากิเลสแล้วอยู่ที่ไหนก็ฆ่าตลอดนั่งอยู่ก็ฆ่า ในทางจมกรมก็ฆ่ า, าเดินอยู่ก็ฆ่ า, านอนอยู่ก็ฆ่ า, าเว้นตลับอยู่ที่ไหนฆ่าแม้แต่ขบฉันอยู่ก็ฆ่าเพราะสติปัญญาทําหน้าที่เขากี่ยวกับกิเลสตลอดเวลาไม่ได้มาเกี่ยวข้องกับอาหารฟ้านข่าวอะไรทั้งนั้นงานของระหว่างกิจเกีเ่ยกับกิเลสเมื่อมันพันกันแล้วเป็นอย่างนั้นเท่ากับตะลุมบอลกันตลอดเนี่ยที่นี่แม่นดํำล่ะที่นี้นะฆ่ากิเลสอย่างแม่นดําแม่นดําแม่นดำ สุกกระสุงอย่างแม่นยำไม่มีสุกปลอมๆนะมีแต่แม่นยำแม่นยำเอาจนกระทั่งถึงมีมุดหลุดพ้นแม่นยำเต็มที่หายห่วงอะไรใครจะห่วงแล้วก็ห่วงไปเธอะถ้าลงกินตรงนี้ไม่ห่วงสักอย่างเดียวฉะนั้นมันก็เหมือนโล ก, กทานนี้ไม่มี <Hey. S 1> มีกินตรงเยอะนี้ไปเกี่ยวข้องไปจำพันไปยึดไปถือจั้งจั่งที่สิ่ง น, นั้นเขาก็เป็น้องเขาอยู่ตามหลักความจริงของตนไอ้พวกนี้มันปลอมมันคะนองมันอยู่ไม่เป็นสุขไปเกี่ยวยึด เจ้าแบกเจ้าหามแล้วก็เอากองทุกมาเผาตัวเองแล้วก็บนนั่นซึ่งเป็นล้วนแน่จะเป็นเรื่องของกลมายาของกิเลสพาให้เป็นเท่านั้นใครที่อยากเป็นธรรมดาไม่อยากเป็นสิ่งที่พาเป็นได้ได้แฉลบไหลไปจนนั้นให้ลูก้กำดำกำขาไปนั้นมันมันมีก็จําเป็นต้องเป็นไปตามอานาจของมันแต่เมื่อถึงขั้นถึงภูมิที่ควรจะปราบแล้วไม่มีกิเลสตัวใดจะกล้าหามยิ่งกว่าธรรมเลย ที่ท่านว่ามหาสติมหาปัญญานั่นแหละขั้นที่เกลี่ยกายที่สุดขั้นที่เป็นอัตโนมัติงั้นเราสงสัยแล้วว่ามหาสติมหาปัญญาในครั้งพุตการเป็นยังไงก็ท่านสอนไว้ที่ไหนสอนไว้ที่ใจนี่เมื่อใจมันเป็นมหาสติมหาปัญญาขึ้นมาแล้วจะไปถามที่ไหอีกถ้าไม่ใช่บ้านพระพุทธเจ้าไม่สอนคนให้เป็นบ้านสอนลงที่สัจธรรมใช่ไหมถ้ามีที่ไหนนี่อืทุกข์ก็มีที่นี่สมุทัยก็มาอยู่ที่นี่สติปัญญาเป็นต้น จนกระทั่งถึงสติปัมหาสติมหาปัญญาก็อยู่ที่นี่แล้วทําไมจะไม่ทราบเรื่องนิโรธที่ดับทุกไปอย่างไม่มีอะไรเหลือเลยเพราะอํานาจของสติปัญญาทํางานได้ผลดังเต็มที่แล้วแล้วอะไรที่จริงอยากไปทำทั้งสีนี่คืออะไรนั่นแหละคือความบริสุทธิ์ถามไข่ไปถาเสียวเวลามเวลาทํา ชันทีติโกนั่นวะนี่แหละชันที่ติโกชั้นเอกลงจุดนี้ชันที่ติโกอันนั้นก็รู้นี่ก็รู้จิตเป็นสมาธิก็รู้จิตเป็นสมาธิขั้นใดภุมิใดอยากไปอยากขนาดไหนก็รู้จนกระทั่งถึงจิตก้าวออกสู่สมาธิก็รู้เพราะก้าวออกสู่ปัญญาขั้นใดขนาดใดก็รู้รู้จนกระทั่งถึงมหาสติปัญญาก็รู้กันโดยลําดับลำดับจนกระทั่งพุทธิเดชทางทลาระไม่มีอะไรเหลือแล้วไม่ต้องบอกว่ามหาสติมหาปัญญานี่ให้ ภา ก, กําลังเสียไม่ต้องบอกอืมแล้วทุกสมุทัยนั้นให้มาอีกเพื่อใจต่อสู้กันอีกก็ไม่ต้องบอกมันพอเหมาะพอดีกับความจริงทุกสิ่งทุ ก, ทกอย่างธรรมชาติที่บริสุทธิ์ล้วนๆแสดงตัวเต็มที่อยู่ภายในจิตใจมันก็เป็นสันติสันติโกชัดเจนชัดเจนไปโดยนับอย่างที่ว่าจะไม่ทั้งถึงวาระสุดท้ายสันติติโกนั่นนี่แหละที่ว่าสันติติโกสุดยอดอันนี้เราจะพูดออกมาอย่างแบบโลกมันพูดไม่ได้น่ะ ดังที่พูดถึงว่าพระอรหันต์ถ้ายังพระอรหันต์ยังนอนหลับอยู่ยังหลับอยู่แล้วนั่นไม่ใช่พระอรหนนันต์ถ้าเราพูดภาษาลวกว่ามันหลับตาพูดแต่คนลืมตาพูดด้วยสติปัญญาได้สัมผัสสัมพันธ์กับธรรมทั้งหลายบ้างจะพูดคำนี้ไม่ลงนี่คือมันไม่ได้สัมผัสสัมพันธ์นอะไรกับธรรมเหล่านี้เลยนี่แต่อารมปากมาจากกำหลับําราแล้วก็มาโอ้มาอวดนอกคุยทำคนอื่นให้เสียหายเป็นปากสกรปรกพ่นไปที่ไหน เห็นครุ้งไปหมดและทํานาคนอื่นได้อย่างมากมายเท่านั้นไม่เห็นมีอะไรเอาไปปฏิบัติลงไปให้มันสันติกวัว น, นี่ประจับแจ้งไปพักอาหารนอนนอนยังไงไม่นอนยังไงถามใครไม่รู้ท่านไม่รู้แจ้งในท่านในขันจะไปรู้ความบริสุทธิ์ความจริงเต็มส่วนนั้นได้ยังไงขันก็ต้องรู้แจ้งชัดในขัน อ, อะไรจะลวิเศษอะไรจะแหลมคมยิ่งกว่าสติปัญญายิ่งกว่าธรรมชาติของผู้บริสุทธิ์นั้น ทำไมจะไม่ทราบเรื่องธาตุเรื่งขันพักผ่อนเดีตัวทำไมจะไม่ทราบเรื่งจิตที่บริสุทธิ์ที่เรียกว่าสันติโกโตเต็มภูมินั้นได้ห่ะอไม่อันนี้ ส, สดๆร้อนๆทางนั้นนะแม้ได้ไปอยู่กับพระพุทธเจ้าข้างพุทธการนะนั่นเป็นของท่านนี่เป็นของเราทําเป็นของจริงจริงอยู่กับทุกสัจธรรมยิงอยู่กับทุกๆสัจธรรม เราก็เป็นผู้ทรงศัจธรรมไว้เวลานี้เป็นแต่เพียงว่าศัจธรรมฝ่ายนั้นยิ่งฝ่ายไหนยิ่งหย่อนกว่ากันตอนนั้นฝ่ายทุกสมุทัยเมื่อฝ่ายทุกฝ่ายสมุทัยยังหนักมากอยู่ฝ่ายมากฝ่ายนิโรธก็ต้องด้อยแต่ผิดขึ้นมาฮะให้เต็มภูมิในวงศัจธรรมนี่แหละเอาให้เต็มภูมิแล้วจะได้รู้แจ้งเห็นจริงในศัจธรรมทั้งหลายที่ปรากฏขึ้นกับเราอย่างเด่นชัดเนื้อกรหายสงสัยที่ว่าข้ามพุทธการเป็นยังไงอืม พระพุทธเจ้าเป็นองค์ชนิดใดเป็นองค์อย่างไงลักษณะเป็นยังไงอืมเมื่อไม่สงสัยธรรมชาติที่เป็นสิทสันติิโกเต็มส่วนคือมาทำมาพูดโดยสุดเต็มส่วนนี้แล้วก็ไม่สงสัยพระพุทธเจ้าสงสัยท่านอะไรทำแท้คืออะไรเนี่ยทำแท้คือธรรมชาตินี้แน่แต่เท่า น, นั้นทํากับกิจเป็นอันเดียวกันนี่แหละทำแท้กิยาการที่แสดงออกนั้นเป็นอาการของธรรมเมื่อเข้าถึงสันติโกเต็มภูมิแล้วก็เจอทำแท้ทรงทำแท้ไวอ้อย่างเต็มหัวใจ ทั้งคนคือใครคือผู้ทรงอนนี้ไว้ทรงธรรมชาติคือทําแท่นี้ไว้ในใจที่บริสุทธินั้นเนี่ยแล้วอยู่ที่ไหนถามใครให้เกียวล้เวลาทําไม้เพราะทำเป็นของจริงเสมอกันหมดพระพุทธเจ้าไม่แบ่งสัด แ, แบ่งส่วนนะคนข้างนั้นคข้างนี้ทําก็ัจะทํำข้างนั้นเป็นอย่างนั้นจะทํำข้งนี้เป็นอย่างนี้เออมรรคผลนิพพานข้างนั้นเป็นอย่างนั้นครั้งนี้เป็นอย่างนี้เนี่ยทุกข์ข้างนั้นกับครั้างนี้ต่างกันสมุทัยข้างนั้นครั้งนี้ต่างกัน มากกับนิโรธท่างนั้นท่านนี้ต่างกันเพราะฉะนั Instead, ้นนิพพานจึงต่างกันหรือความรู้สึกจึงต่างกันท่านไม่ได้แสดงเอาไว้เหมือนกันหมดศาติตาเต็มตัวสัจธรรมเต็มน้อยเปอร์เซนต์เหมือนกันไม่ว่าทุกกระทุกเต็มตัวเป็นของจริงเต็มตัวสมุทัยเป็นของจริงเต็มตัวมากเป็นของจริงเต็มตัวนิโรธเป็นของจริงเต็มตัวความเมื่อยสุดเป็นของจริงเต็มตัวในหัวใจของผู้รู้ธรรมชาติธรรมทั้งหลายได้แก่ผู้ปฏิบัตินั่นแหละผมฟังให้ถึงใจอย่าไปคิดให้เสียเวลาเวลาศาสิดาอุนเอ็กสอนลงที่นี่ กิเลสตัวเอกๆมันก็ซ้อนของมันแทรกตรงในนั้นให้จําไม่ดีระวังดีนะเออมันแทรกซ้อนลงไปอยู่โดยลําดับลําดาเราไม่รู้มีแต่กิเลสนี่แหละทำงานเวลานี้มีแต่กิเลสทํางานในทางยังกรมมันก็เหยียบหัวเราอยู่นั้นแหละนั่งภาวน้ำก็เหยียบหัวให้สงบโค้งงันอยู่นั้นไปที่ไหนมีแต่กิเลสเหยียบหัวพาเหยียบหัวพ า, าเราสลดสัมผัสจะตายไปทําไม่ได้เหยียบหัวกิเลสบ้างเลยมันไม่ทุเล็ดบ้างเหรอนับปฏิบัตินะ่ะนีู่เหนือยๆแลอ่ะแค่ตัวนี้ ยังไม่ถึงที่ที่ควรจะจบรู้แล้วเนี่ยแต่รู้ต้งองหยุดมันรวย ง, งมันขัดจริงๆนะสำหรับหัวใจผมรู้สึกเป็นจะเป็นใจเทวชักระประละตระใครไปว่าเรื่องการซื้อกันขายมันขาวางมัจริงๆเลยเพราะมันได้เชื่อพระพุทธเจ้าอย่างหัวใจขาดจะบ้านไปตามเลยนะไม่มีอะไรเสียดายเลยพระพุทธเจ้านีเป็นมหาการีโกนาโถนิ迦าชาวไปลล ห, หลังเนี่ยทือมันลึหลังเนี่ เป็นจิตเป็นใจจริงๆเป็นตาก็ยอมเลยเจ้ะจิตถ้าจิตทั้ง่านอ่อนนิ่มกับสัตว์โลกกับทั้งสามแดนโลกกระาำหนึ่งเคยเห็นไหมเคยเห็นก็ไม่สําคัญสำคัญแต่ว่าสัตว์โลกกับอันนี้ซึมไปหมดเลยท่านจะไปเอาซื้ออกด้วยการซื้อาขายจะทําด้วยกัรซื้อาขายได้ลงคอยหนเนี่ยท่านทําไม้ลงอืม เมื่อการยื่นให้ยื่นให้ยื่นให้ด้วยความเมตตาลำคาจะไปเอาอะไรกับกอบกกนเข้ามาเอาของเขามาก็าเสียไปทำหมพอเราจะให้เขาด้วยความเมตตาเอาของเขาให้เสียงเขาของเขามาทำไมนั่นคือขาดความก้ามดุลที่มีอยู่ในตัวของเขาและขาดความก้ามดุลที่มีเมตตาธรรมในใจของเราผมเชื่อเนี่ยพระเจ้าไม่ทรงคิดสงฆ์เราทั้งนั้นศาสนาสมัยนี้กลายเป็นตลาดร่างค่าไปได้นี่เราจึงให้เป็นเปไม่ได้ผมน่ะ ไอ้เรื่อความเมตตาทั้งสามให้เลยไม่หวังจิงตัดแทงเราพอใจมันพอใจมันเต็มใจในเข้าใจเองของทุกใจมีอะไรกินกันมันเห็นเลยที่ว่าเราสงค์ฆ่าโรคจนมาทั่งเราให้มีอะไรกินตายเพราะความโกรอยากให้มันเห็นว่าความนั้นเลยมันไม่เคยจะทกข์ทรานกับการหมดการยังอะไรเชื่ออย่างนั้นจริงๆการที่การขาธมันเป็นเรื่องของโลก แล้วกิเลสมันเขาไปแฝงทําแฝงศาสนาเข้าไปเป็นเจ้าครัวการในวัดในวังใครรู้มันแม่มดหรอกนต่มันเป็นกิเลสทำการซื้อการขายเรื่องเรื่องของกิเลสเรื่องของโลกทั้งล้วนๆทีนี้เราเป็นชาติเป็นนักบวชในวัดในวังอุเชตําแล้วไปทําอย่างนั้นมันจะไม่ว่าตั้งกองสังสมกิเลสได้ยังไง หาเราได้มาเพื่ออะไรหาว่าสิดูไปวันหนึ่งวันหนึ่งกินไปเท่านั้นพอแล้วทั้งบวชนี้เทไรออ ก, ก, เ, อกเพื่อโลกสิบวบมากเพทางของผู้เช่าเป็นไงทาง้เช่าช่วยโลกช่วยเอให้ได้แล้วกช่วยโลกเนี่ยก็นเท่านั้นไม่ใช่จะไปเกอะป่วยกับโลกเขาหนินี่เท่านั้นหมดเนกะ็ <c oughs> จะว่าบ้างตามมันพอใจเป็นบ้าแบบนี้นะ ม่สิไม่จำเป็น cat, มีเท่าไรเป็นหมดเลยมันเกี่ยวไว้ไม่ได mm. ้เพราะอำนาจของความเมตตาต้องฐานนี่มันมีกําลังมากเกินกว่าที่จะมาสนใจเก็บไว God, mm ้หนี่งไว้ก็ไวาสําหรับหมูเพื่อนเพื่อความจําเป็นการหน้าการหลังของหมูเพื่อนวพราะั้นมันจําเป็นก็เอาได้สิผมไม่ได้มาหึงม่หัวงแม่ตานหนึ่งนะว่าเป็นของผมนะเมื่อหมู่เพื่อนก็ยังนิ่นพอเป็นไปอยู่พ่อะเราก็ดูเรื่อยตลอดเวลาพอจำเป็นอะไรเราก็ดูทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว ที่ไหนที่มันจําเป็นแล้วก็ช่วยเหล่านั้นเองผมจึงม่ได้มาสาบโมู่เพื่อนผพ่อนเหตุ น, นี้อะอไรๆที่ตกมาในวัดในวาผมไม่ถือเป็นของผมถือเป็นของทงั้งวัดใครไม่มีมาเอาไม่ต้องมาข อ, อกันขอทำไมเราเป็นนักบวชด้วยกันมาสายช่วยกันกันยังจะมาต้องมารอมาขอมันั่นเป็นของท่านนี่เป็นของเราเอะไรกันอื่นนี่เนี่ยเราพูดให้มันเต็มบวชเต็มบาทรเราพูดอย่างนั้นมีอะไรก็เอาเันไปยี่ มันาดมาสายไปไปฉันอะไรมีอะไรเรื่องของพระก็มีเท่านั้นจะมาหงมาห่วงว่าเพื่ออะไรถ้านึกว่าจเรื่องของพระเรื่องของกิเลสถ้าจะมาทำรักกิเลสทํำไมหมดเวลาก็หมดไม่ว่าช่วยตลอดมันจนกระทั่งวันตายเลยมันมันเป็นอยู่ในจิตอย่างนี้อยู่แล้วจะไปทําอย่างอื่นมาละไม่ต้องทําแบบที่เคยทำ ที่จะเกี่ยวกับกายลงพยาบาลกเหมือนกันมันได้คิดว่าถึงจุดสองจุดสามล้านมัน ย, ยังเกิดไปไา้เพราะการทั้งสามคิดเป็นโม้ทุกอย่างทั้งหมดพอที่จะเขาอาจใจอะไรยังไงก็เอาระลงตายตายเหมือนก็ไม่มีลงมุงนี่ะแต่ก็เดชนะค่อยเป็นค่ไปอย่างที่เป็นมานี่แตมีอะไรเราไม่เคยมีเงินก้อนเงินจันนงปม <laughs> มันจะเงินช่วยโลกอยงั้หมอพระเนมเราพอเป็นไปแล้วก็ช่วยโลกอต่พระเนมมีความจําเป็นอย่างไรก็เอาเนี่ยผมไม่ได้ว่านะผมเปิดโอกาสเตลอดเวลาจำเป็นเราก็ถือเช่นเดียวกับโลกเขาจําเป็นทำไมจะไม่ถือท้องพระทั้งเนมของเราจำเป็นเหมือนโลกเขาอ่ะเราถืออยู่แล้วอันนี้ถ้าเมื่อพอเป็นไปอยู่แล้วก็อันที่ไหนจําเป็นก็เอาทีช่วยไป มันกอบกวนมันไปอะไรของเรนี้เป็นปัจจัยเรื่องอาศัยเท่านั้นไม่หวังจะเป็นเนื้อเป็นหนังกับมันอืเอามันมาอาศัยพอให้เป็นเนื้อเป็นหนังขึ้นในภายในการอมเป็นหุกตนทนังไปถึงไปห่วงไปเห็นมันสาระแก่งสารใดถ้ามันเห็นอะไรเป็นสาระแก่งสันเกิดความรักชอบจิตพันกันเข้าไปก็นั่นแหะมันเป็นไฟเข้ามาเผาเจ้ของนี่ซึ่งถึงเรื่องพระเมตตาบุรีเจ้าอย่างนี้ซึ่งจริงๆนะไม่เห็นองค์ ศาสนาเขามแล้วม <wh ipp ings out zers> ันซึ <wh> <relationships> ้งอยู่ในหัวใจมันจะว่างเลอ่านเขาอ่านเขาทำอ่านอะไรๆไปนี่มันซึ้งซึ้งไปหมดเลยเหมือนองค์ศาสดาอ่านตรงไหนเหมือนองค์ศาสดาแสดงแสดงแปลงเลยนะมันสซโลนอน์อย่างนั้นนะทุกรั้งเรียสจังนี่คือเหมือนองค์ศาสดาแสดงเองเลยเราอ่านทุกขังเรียสจังเล่านําไปผู้อ่านก็ดีนะทั้งเหมือนองค์ศาสดาบอกขึ้นมาในการรับทราบรับทราบจากการอ่าน มันอยู่ที่ไหนองคศา ส, สดาอยู่ที่ทำที่ว่าทำวินัยอะไรจะเป็นศาสตาแทนเธอทั้งหลายเมื่อเราผ่านไปแล้วแห่ซึ่งมากจริงๆอย่าปล่อยอยาวางเกาะให้ติดกับศาสตาองค์นี้นะ่ะคือหลักทำวินัยนี่นะ <S <S <ๆ>่ะเป็นยังเป็นไงจะต้องไปได้ถ้าเกาะ น, นี้ทะเลถ่ายไปแล้วกันแต่๋ยวทำา้นแสดงไว้กลางๆาการปฏิบัติแยกแยะด้วการแนะนําสอสนแยกแยะนี้ต้องอาศัยครูอาจารย์อีกทีหนึ่งๆๆๆ เพราะอย่างยิ่งก็คือครูอาจารย์ผู้ปฏิบัติที่ผ่านมาแล้วทั้งเหตุทั้งผลนั่นเหมาะที่สุดแม่นยําที่สุดเช่นเดียวกับหมอที่เรียนจบมาแล้วถูกต้องแม่นยำเพราะท่านผ่านมาแล้วเราพูดอะไรขึ้นมาก็เหมือนเด็กถามเราน่ะเหมือนนักเรียนถามเราถามครูเด็กทะเาะกันเรื่องบวกเรื่องกุศลหรืเรื่องอะไรครูนั่งฟังก็รู้แล้วว่าใครผิดใครถูก ผู้ที่ผ่านทังด้านปฏิบัติมาอย่างโชคชนแล้วทําไมจะไม่รู้เหตุก็ผ่านมาเต็มหัวใจผลก็รู้เต็มหัวใจทําไมจะไม่รู้วิธีแก้ไขไม่รู้วิธีผิดถูกยินเวนาหมู่วั้นแสดงออกมาต้องรู้นอกจากจะพูดหรือไม่พูดเท่านั้นความจริงเต็มหัวใจไม่รู้ได้หรือันนี้สําคัญอยู่มากความสอแสดงหาครูอาจารย์ที่เป็นที่แน่ใจนี่เป็นสําคัญอยู่มากคือรวดเร็วกันอยู่มากนะ ที่ดูตั้งแต่สมัยผมดูกับหลวงปู่มั่นก็เหมือนกันปัญหาบางอย่างคือมันไกลจะจะมาก่นั่นพี่นาจะบอกว่าเออกันช้าได้แต่มันช้าบางอย่างมันขวางเลยเดียวเบึ่งถึงท่านเลยเพราะการเรีนท่านจบดมเพราะนั้นเน่ะท่านใส่ถามเดี๋ยวเป็นทางเลยนี่คนหนึ่งรู้แล้วคนหนึ่งไม่รู้มันผิดกันอย่างนั้นนะแล้วก็รวดเร็วบางทีสามสีวัน ถ้าอยู่ใกล้ๆบางประมาณทักที่4กิโลนี่บางที 3-4 วันมึงกลับไปได้นะคือไม่ข้ามไปถึงท่านนั้นมันขาดตะบันมาเลยถ้าเราเองน้องบางทีทั้งวันทั้งคืนมันก็ไม่ได <Okay. S 1> ้เรื่องเพราะทางไม่เคยเดินสิ่งไม่เคยปรากฏแตมันปรากฏขึ้นมาทําไงนอกจากเราปีนี้พิจะน้ำของเราอยู่มันก็ต้องเป็นขึ้นมาจนได้ทั้งเ อ, อสมุไทยทั้งมรกเลยมันขึ้นมาบางทีมรกไม่ทันมันสมุไทยมัยีอำนาจแขงอีดเลยส ต้ออาศัยครูว า, าจาย์ช่วยกรบให้แต่ว่าอะไรอย่างที่ผมเคยพูดที่ว่าจดุดมีท่ามีจุดมีต่อมหนึง่งผูรู้ที่ไหนนั่นแหละคือตัวพบถ้าลงไปหาท่านหลวงปู่มั่นดูที่ผางเดียวเท่านั้นมันทังไปตั้งแต่นั้นมาที่มพิาจารณาไปของยังไม่รู้ว่าอะไรเป็นจุดเป็นต่อมก็ผู้ที่รู้ผู้เด่นดวงผู้ใสผู้ที่ว่าอาศัศจรรย์ น, นั่นแหละคือจุดมันนะเวลามันผ่นนนานไปแล้วถึงรู้น ท่านลงประกาศเบี่ยงท่านอย่างนั้นรูดสร้างะใส่พังอยู่นั่นมันคืออะไรนั่ น, ท, นท่านใสปุ๋งเดียวเท่านั้นแ่ะทางเลยมันอาจจะรู้ตั้งแต่นั้นเลยนะเพราะจิตมันมันก็เดียงไกลมาตั้งแต่นั้นอยู่แล้วได้รับทําท่านประโยชน์หนึ่งเท่านี้พอเลยนี่ดังนั้จิตคืออะไรยังไหว ย, ยังไม่เห็นอยีกถูกุงกิเลมันหลอกต้มไปหมดแต่คุ้มเอาอยู่หน้า เมื่อท่านไปไหนมันก็ไปหมดไปสิ้นแล้วมันไปแล้วจนจาเจแล้วมันก็ไม่มีที่ไปมาถึงในถอยก็มาหาจุดนี้จุดนี้ถึงในพังไปมันโอ้โหทันนี่เออมีจุดปีต่อมกุลูขึ้นคือนี่เองก้อนเดียดนี้มันไม่มีแล้วเนี่ยถูกพังไปแล้วมันเห็นนั้นพออนี้มันพังไปอะไรที่เป็นทําเป็นของประเสริฐมันก็รู้อีกเลยเรียกว่าไงทำไมจะไม่เห็นโทษอย่างถึงใจโอ้โหอนี่เออจุดต่ำพูรจุดต่ำภูรูจุดต่ำทางอวิชชามันนี่เอง ก่อนไม่รู้แต่ลงท่านตอบให้ทีเดียวท่านถามเลยชนะถามใครก็เม่เลยใครฝันก็แก้เองี่ไปนั่นเสี <c oughs> เเยบางองค์เราถามทําไมเอาอยู่นี่แหละวะมีแล้วบางองค์เวลาไปถามเราเรื่องนี้จะทําไงแจง้จงเอ้าใครฝันก็แก้เอ้ยหัวใครคนอื่น แ, แจ้งไงเจ้าของฝันก็แก้อยู่ไม่ได้เรื่องนะเลิกแล้